รับสั่งให้ทำปปภาชนียกรรมพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุชื่อว่าอัจฉิและปุนณะพสุกะโดยประการต่างๆแล้วรับสั่งเรียกพระสารีบุตรและพระมหาโมคลานามาตรัสว่าไปเถิดสารีบุตรโมคลานะเธอทั้งสองจงไปกีตาคิครีช น, นบทจงทำปปภาชนียกรรมภิกษุชื่อว่าอัจฉิและปุณะสุกะไปจากกีตาคิครีช น, นบท เพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสธิวิหาริจของเธอทั้งสองพระสารีบุตรและพระโมกขลานะกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้าจะทำประพาชยกรรมแก่ภิกษุช่อวอัศชิและปุณพาสุกะได้อย่างไรเพราะพวกเธอดุร้ายหยาบคายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปกับภิกษุละลายรูปพระเถระทั้งสองทูลรับสนองพระพุทธ ดำรัสแล้ววิธีทํำประพาชนียกรรมและกรรมวาจาทำประพาชนิยกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพึงทําประพาชนิยกรรมอย่างนี้เริ่มด้วยพึงโจทย์ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสุกะครั้นแล้วให้พวกเธอให้การเมื่อพวกเธอให้การแล้วจึงปรับอาบัติครั้นปรับอาบัติแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า434 ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณณะสุกะสองรูปนี้ประทุษร้ายตะกรูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของพวกเธอเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งสลายที่พวกเธอประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงทำปปภาชนียกรรมภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณณะสุกะ จากกีตาคีรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัสชิและปุรนภสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทนี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุเชื่อว่าอสชิและปุรนภสุกะประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวซามความประพฤติของพวกเธอเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วและตระกูลทั้งหลายที่ถูกพวกเธอประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว สรงรำปปภาชนิยกรรมพวกเธอไปจากกีตาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุนภัสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบทถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการทำปปภาชนิยกรรมภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุรภพสุกะไปจากกีตาคิรีชนบทโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณภสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคีรีชนบท ถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านเจ้าข้า ข, าขอสองจงฟังข้าพเจ้าถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงปปพาชนิยกรรมไปจากกิตายขรีชนบททรงทาแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกะโดยประกาศว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิ และปุณพัสสุกะไม่พึงอยู่ในกีตาคิริชนบทสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้435ลำดับนั้นภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคลานะเป็นประธานเดินทางไปกีตาคิรีชนบทได้ทำปปภาชนิยกรรมภิกษุชื่อว่าอัชชิและปุณพัสสุกะไปจากกีตาคิรีชนบทโดยประกาศว่า ภิกษุชื่อว่าอัสชิและปุรณะสุกะไม่พึงอยู่ในกีตารขรีชนบทภิกษุพวกนั้นถูกสงทำประภาชนิยกรรมแล้วก็ยังไม่ประพฤติชอบไม่หาเย่อหยิงไม่ประพฤติกลับตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาทการสง์เที่ยวใส่ความว่าการสงลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเคืองลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวบรรดาบริวารของภิกษุชื่อว่าอัสชิ และปุณภสุกะบางพวกหลีกไปเสียก็มีศึกเสียก็มีบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโผนธนาว่าฉนัยภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกะถูกสงทำประพาชนยกรรมแล้วจึงไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเยอ่หยิงไม่ประพฤตกลับตัวไม่ขอเข้ามาภิกษุทั้งหลายยังด่ายังบริพาท ก, การการรคสงเที่ยวเสยความว่า